สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันที่18กรกฎาคมของทุกปีถือว่าเป็นวันสำคัญวันดึงของชาวไทยทุกคนคือวันศีนครินปีนี้เป็นปีสำคัญปีหนึ่งชาวศีนครินได้จัดงานวันศีนครินขึ้นในโอกาสนี้ได้นิมนต์ท่านพระอาจารย์อินทวายสันตุสโกเจ้าอาวาสวัดป่านาคาน้อยอำเภอนายงจังหวัดอุดรธา น, นีซึ่งท่านให้เกียรติ มาเป็นประธานสงฆ์ในการปรับปรุงหอสงอาพาตโรงพยบาบาลศรีนครินครับก่อกาบนำมำสการท่านพระอาจารย์ครับท่านพระอาจารย์ครับเนื่องในวันศรีนครินนี้ก็อยากจะขออวาทิจากท่านพระอาจารย์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านครับเมื่อกี้ในท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์วิทูลท่านได้ปรารถถึงวันศรีนคริน วันที่18กรกฎาคมของทุกปีถือว่าเป็นวันศีนครินซึ่งเป็นวันที่สมเด็จย่าสมเด็จพระศีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จสวรรคตทางโรงพยาบาลศีนครินและคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้บริการรักษาพยาบาลแก่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเสียงเหนือของประเทศไทย จนเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจจึงทำให้มีผู้มาใช้บริการมากขึ้นทุกๆปีซึ่งในจำนวนผู้มาใช้บริการเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยทำให้โรงพยาบาลศรีนครินต้องมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตามลำดับประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ทางโรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องหาเงินทุนมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้พร้อมกันทางโรงพยาบาลศรีนครินอย่างที่ท่านอาจารย์หมอวิทูลได้กล่าวเมื่อกี้นี้ว่าจะต้องได้ปรับปรุงหอสงฆ์เพิ่มขึ้นอีกคือความเป็นมาของหอสงฆ์แห่งนี้ที่เกี่ยวกับอัตมาภาพ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้ก็อันเนื่องมาจากสมัยเมื่อหลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินหมึกเป้งสมัยเมื่อท่านยังมีชีวิตยอยู่ท่านให้กองทุนสนับสนุนตึกศีนครินแห่งนี้ตึกขอสูงแห่งนี้ก่อเมื่อนั้นจะทําให้คณะแพทยาศาสตร์ทางโรงพยาบาลศีนคริน ได้บริการคณะสงฆ์ทางภาคตะวันออกเสียงเหนือเสมอมาเป็นเวลา10กว่าปีแต่เทนี้ในสมัยนั้นทางโรงพยาบาลกว้างขวางเพราะผู้ที่มาใช้มารับบริการก็ไม่มากแต่พอมาช่วงหลังๆประชาชนก็เพิ่มมากขึ้นแล้วก็พร้อมกันทางศรีนครินก็มีกิติศัพท์ระเบือไปทั่วภาคตะวันออกเสียงเหนือว่าคณะอาจารย์หมอ มีความสามารถหรือว่ามีคุ ณ, ณภาพหรือว่าเป็นหมอที่ชั้นดีของภาคตะวันออกเสียงเหนือได้รักษาพี่น้องประชาชนจนเป็นที่ยอมรับกันทั่วภาคเพราะนั้นพี่น้องประชาชนทั้งหลายจึงหลั่งไหลามารักษากับโรงพยาบาลศรีนครินแต่นี้ทางโรงพยาบาลศรีนครินเที่ยวว่าตึกห้องฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินแต่ก่อนก็ว่ากว้างขวางแต่พอต่อมานี่ ห้องฉุกเฉินก็รู้สึกว่าแคบลงบริการพีน่น้องประชาชนไม่เพียงพอและก็ห้องฉุกเฉินนี้ติดกับตึกสงอาพาทและก็ทางโรงพยาบาลหรือคณะกรรมการทางคณะแพทย์เศาสตร์ได้ปรึกษากันว่าน่าจะย้ายหอสงที่หลวงปู่เทศเทศรังสีให้การสนับสนุนมาเนี่ยชั้นสองติดอยู่ในระนาบเดียวกันอยู่ในอยู่ชั้นเดียวกันกับห้องฉุกเฉินแล้ว เห็นพร้อมต้องกันว่าน่าจะย้ายตึกสงข์ขึ้นไปอยู่ชั้น10ที่ว่าตึกสีนครินทร์ชั้นที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ทีนี้ทางคณะแพทย์ศาสตร์ก็ได้ไปปรึกษาคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์หมอวิทูลก็ได้ไปอุปสมบทในปีพศ2548ในพรรษาหนึ่งก็เป็นที่รู้จักกอาตมาภาพทีนี้อาตมาภาพคณะแพทยศาสตร์ก็ไปปรึกษา แต่อาตมาภาพเองก็เห็นว่าน่าจะให้การสนับสนุนเพราะนี้ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของสงฆ์สงฆ์ก็ไม่ใช่ว่าสงฆ์ของภาคตะวันออกซึ่งสงฆ์ทั่วประเทศจะว่าสงฆ์ทั่วโลกก็ไม่น่าจะผิดสงฆ์ประเทศไหนถ้าป่วยแล้วก็เข้ามารับรักษาได้ ไ, ดไม่ได้ไม่ได้ยกเว้นเพราะฉะนั้นคณะแพทย์เศาสตร์ก็เลยอยากจะให้เอาตึกสงฆ์ขึ้นไปสู่ชั้นที่สิ ก็ได้ปรึกษาปรรบกันเป็นที่ตกลงกันก็จะย้ายตึกสงอาพาธหลวงโพธเทศขึ้นไปอยู่ชั้นสิก็พร้อมกันก็จะขยายห้องฉุกเฉินไปสู่ตึกสงหลังนี้แล้วก็ย้ายตึกสงขึ้นไปอยู่ชั้นที่1 0ใน19ชั้นนั้นแต่พร้อมกันทางโรงพยาบาลก็บอกกับคณะสงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตมาภาพที่เป็นผู้รับทราบเบื้องต้นบอกว่าทางโรงพยาบาลมีงบประมาณจากัด ถ้าหากว่าพระคุณท่านพอที่จะเป็นไปได้แล้วก็อยากจะให้ทั้งพระคุณท่านคณะสงฆ์พร้อมกับคณะสัตยาติยมให้การสนับสนุนหรือว่าหาทุนตกแต่งตึกสงฆ์อภาตชั้นที่1ินี้ด้วยแต่ที้อาตามาภาพก็ได้ไปชุมหาลือกับคณะสงฆ์หมู่ครูบาอาจารย์ท่านก็เห็นคือปรึกษาไปที่ไหนก็ไม่มีองค์ไหนปฏิเสธท่านก็เห็นพ้องต้องกันหมดทุกๆองค์ ก็ผลที่ส่งก็ได้คณะกรรมการก็ได้ไปชุมหารือกันก็ได้ตกลงกันหาสถาปนิกออกแบบตึกสูงในชั้นสิสถาปนิกออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้มาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ตกลงกันหาผู้รับเหมาได้บริษัทเอสเวิร์กจากกรุงเทพมหานครลงค่าเท่ากพอจากนั้นมาการที่จะได้บริษัทนี้ก็มีการประมูลกัน 3-4 บริษัทก็ได้บริษัทเอสเวิร์พอที่สุดตกลงกันได้คือเซ็นสัญญากันวันที่8กุมภาเป็นเงินในปกตกแต่งชั้นนี้เป็นเงิน4 8่ล้าน่ล้านแ0 0 0 0 0ก็เป็นอันว่าได้ตกลงกันแล้วก็ลงมือก่อสร้างมาแล้วขณะ น, นี้ในในงวดงานทั้งหมดทั้งตึกชั้นนี้มีทั้งหมด6งวดแต่เดี๋ยวนี้พึ่งจ่ายไปแล้ว3งวดยังเหลืออีก3งวดที่ยังไม่ได้จ่าย ไม่ได้ชำระเงินกับบริษัทแต่ว่างานก็ไปประมาณสัก5หรือ 60% และก็พร้อมกันทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะกรรมการกับคณะสงฆ์ก็ได้ปรึกษาหารือกันว่าตึกสงฆ์อาพาธก็สมควรที่จะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีจึงได้เชิญชวนคณะชมรมผู้ค้ายาทั่วประเทศมาทอดผ้าปา่าเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์สอ ในวันนั้นคาดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะได้จุดตุปัจจัยมากวันนั้นได้เงิน3ล้านกว่า ส, สา3ล้านกว่าบาทก็เป็นที่พอใจกับคณะกรรมการหรือคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมกันอกีกก็คิดว่าเพียงเงินปัจจัยเท่านั้นก็ยังไม่เพียงพอคณะสงฆ์อาตมาภาพเองก็ได้ชักชวนคณะสงฆ์ทั่วภาคตะวันออกเสียงเหนือทกจังหวัด มีหนังสือไปถึงเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็ถ้าให้ขอให้เจ้าคณะจังหวัดมีจดหมายถึงเจ้าอาวาสทุกเจ้าอาวาสทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ถือว่าตึกสงฆ์อาภานี้ไม่ใช่ของผู้ใดผู้หนึ่งไม่ใช่ขององค์ใดองค์หนึ่งไม่ใช่ของคณะใดคณะหนึ่งเป็นของคณะสงฆ์ทั่วทั่วประเทศทั่วโลกแล้วก็พร้อม ก, กันกณัดมาทอดผ้าป่าหอสงฆ์เมื่อวันที่27 พฤษภาคม2550ในวันนั้นคณะสงมาหลายหลายร้อยรูปรก็เป็นที่อบอุ่นของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานในวันนั้นรวมยอดผ้าป่าที่คาดไม่ถึงได้8ล้านกว่าบาทบแล้วก็รวมกันทั้งสองสองครั้งทั้งขราวก่อน3มล้านกว่าคราวนี้8ล้านกว่าก็ได้เงิน10กว่าล้านทีนี้ ถ้าจะว่าพอไหมเงินจำนวนนี้ถ้าจะว่าถ้าว่าเป็นค่าตกแต่งภายในสี่ล้านแก็เหลือแต่ถ้าหากว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตึกสงอาพาตชานนี้ทั้งเตียงทั้งห้องพิเศษทั้งห้องพระทั้งอุปกรณ์ต่างๆรวมกันแล้วก็น่าจะสูสีถ้าเกินก็คงจะไม่เกินมากนะถ้าขาดก็คงจะไม่ขาดมาก เงินจำนวนนี้และก็พร้อมกันในเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็คงจะไม่เสร็จเพียงเท่านั้นคงจะมีกองทุนอีกที่คณะกรรมการได้ปรึกษาปรรบกันว่าน่าจะมีกองทุนสนับสนุนพระสงฆ์อาพาธที่มาป่วยเพราะว่าพระสงฆ์อาพาธที่มาป่วยที่โรงพยาบาลที่เห็นที่ผ่านผ่านมาโดยมากพระสงฆ์มาจากภาคเหนือหรือภาคใต้หรือภาค ต, ตะวันออก พอมาถึงจังหวัดขอนแก่นท่านก็ไม่ได้คิดว่ามาแล้วท่านจะป่วยหรือไม่ป่วยแต่พอมาถึงแล้วท่านป่วยจะเข้าโรงพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลแล้วในใบสุทธิของท่านหรือว่าบัตรทองของท่านไม่พร้อมทางโรงพยาบาลก็ไม่รู้จะทำยังไงเมื่อพระสงฆ์เข้ามาก็ต้องรักษาเมื่อรักษาแล้วเอกสารต่างๆก็ไม่พร้อมก็จะต้องในใช้กองทุน กองทุนหลวงปู่เทศเทศรังสี ก, กองทุนหลวงปู่เทศเทศรังสีที่หลวงพ่อทราบมาตั้งแต่หลวงปู่ให้มาแล้วพวกเราก็ได้สมทบทุกปีเป็นการทอดผ้า ป, ป่าคณะสงฆ์ย่อยๆแต่ก็ยังไม่กว้างขวางปปีละสองสามแสนก็มีสี่แสนก็มีแต่กระพอจับจ่ายใช้สอยบุตรวิดแต่ละปี บ, บางปีก็ขาดไปบ้างใช่ บ, บ, บางปีก็เหลือบ้าง อันนี้ก็คือค่าใช้ใจ่ายที่คณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับตึกสงอาพาธและก็พร้อมกันเมื่อปี 4.9 มั้งที่ว่าได้มากได้มากหน่อยเนาะได้มากหน่อยที่คณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ระดมทุนก็มาอีกเพราะว่าพระสงฆ์รู้สึกว่า ม, มาใช้บริการมากขึ้นตามลำดั บ, บแต่ก่อนก็ น, น้อยพอทราบข่าวว่าคณะแพทย์ ให้ความอบอุ่นหรือว่าการบริหารคณะสงฆ์ท่านก็เห็นว่าเป็นผู้มีศรัทธาคณะสงฆ์ก็เห็นว่าคณะแพทย์บริหารบริการดีเห็นผู้มีศรัทธาท่านก็ข่าวก็บอกต่อๆกันไปพระ ส, สงฆ์ก็ได้เข้ามารับการรักษาจากนั้นก็พระ ส, สงฆ์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เ, เพราะนั้นกองทุนกองนี้ก็ถ้าจะว่าไปก็เกือบจะใช้ไม่เพียงพอเกืบอบจะใช้ไม่เพียงพอ เพราะนั้นเมื่อเราสร้างตึกสงอาภาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเงินที่เหลือจากการก่อสร้างหรือว่าการใช้อุปกรณ์ในการแพทย์จบลงไปแล้วอาตมาภาพเองกับคณะกรรมการทุกๆ ท, ท่านก็เห็นพร้องต่องการว่า น, น่าจะตั้งเป็นกองทุนขึ้นมา3กองทุนกองทุนหนึ่งคือกองทุนหลวงปู่เทศเทศรังสี ที่มีอยู่แล้วมีอยู่ก่อนแล้วแล้วก็กองทุนหนึ่งน่าจะเป็นกองทุนคณะสงฆ์ไทยคือคณะสงฆ์จะว่าคณะสงฆ์ไทยก็จํากัดเกินไปน่าจะกว่าคณะสงฆ์ก็เพียงพอว่าคณะสงฆ์ทั่วโลกอาจจะเป็นเวียดนามลาวา เ, เรามริพม่าอะไรก็ได้ที่ว่าคณะสงฆ์กองทุนหนึ่งก็จะตั้งเป็นกองทุนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจะว่าตั้งเป็นกองทุนสมกองทุนขึ้นมาเพื่อบริหาร ตึกสง่าพาแห่งนี้เพราะนั้นศรัทธาญาติโยมสาธุชนผู้ใดมีความสนใจอยากจะร่วมสมทบในตึกสง่าพาแห่งนี้ก็เชิญติดต่อแต่หลวงพ่อเองก็จะบอกมอบให้แก่คณะทางโรงพยาบาลคงจะมีสปดออกเป็นรายการอีกครั้งหนึ่งเมื่อหลวงพ่อจบลงไปแล้วกราก็พร้อมกันนี้ก็อยากจะกล่าว ถึงตึกสงอาพาตตึกสงหลังนี้แล้วตึกหลังนี้ตึกสีนครินตึกสมเด็จสีนครินหลังนี้ทั้งหมดมีอยู่19ชั้นเดี๋ยวนี้รองเงินงบประมาณแผ่นดินก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายที่รู้รกันว่าเงินงบประมาณแผ่นดินก็มีจํากัดเอาไปที่นู่นก็ขาดที่นี่เอาไปที่นี่ก็ขาดที่นู่นเพราะฉนั้นอยากจะบอกกล่าวถึงสาธุชน คนในชาติถ้าว่าท่านผู้ใดที่ไม่เดือดร้อนหรือว่าไม่ลำบากในการจะช่วยสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันหลวงพ่อก็อยากจะขอบิณฑบาตมาช่วยตึกสงฆ์อาพาธแห่งนี้คือไม่ว่ากันถ้าจะส่งเป็นจตุปัจจัยเข้ามาจะเป็นคลุพันเรื่องการแพทย์เรื่องเครื่องมือแพทย์ก็ยินดีรับ ทกอย่างอย่างเมื่อสองอาทิตย์สาอาทิตย์ที่ผ่านมาทางคณะสัตายาญาติโยมก็ได้ถวายเครื่องมือแพทย์เครื่องฟอกไตผ่านหลวงพ่อเครื่องหนึ่งหลวงพ่อก็ได้มอบให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์กับคณะกรรมการที่มามอบแต่หลวงพ่อมาวันนั้นก็นรู้สึกว่าดีใจหรือภาคภูมิใจที่ว่าเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือเครื่องมือท็อป ยังยังไม่มีในสีนักคาริ น, นยังไม่เคยมีในสีนคารินแต่ท้งทางโรงพยาบาลทางกรุงเทพเขาใช้จนพอแรงแล้วแต่สีนักคารินในยังยังไม่มีใช้แสดงว่าสีนคารินของเรานี่ยังยังอยู่ในยังอยู่ในในอยู่ในชนบทบางอันเถอะ <c oughs> เพราะฉนั้นขอพี่น้องประชาชนญาติโยมทั่วประเทศหรือว่าท่านผู้ใดก็ตามไปทํางานต่างประเทศต้ยอยู่อยู่ต่างประเทศที่มี อันจะกินหลวงพ่อว่าน่าจะยื่นมือเข้ามาช่วยประเทศไทยหรือว่าเข้ามาช่วยโรงพยาบาลศรีนครินเพราะศรีนครินจังหวัดขอนแก่นของเราก็รู้เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าภาคตะวันออกเชียงเหนือเป็นภาคที่ยากจนของประเทศเพราะฉะนั้นอยากจะให้ศรัทธาญาติโยมทุกๆ ท, ท่านที่มีอันจะกินไม่เดือดร้อนนะไม่เดือดร้อนตนต ไ, มไม่เดือดร้อนผู้อื่นแล้วก็ควรจะ เอาเข้ามามายื่นมือเข้ามาช่วยในทั้งเครื่องมือแพทย์หลวงพ่อก็อจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะถ้าที่ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ก, ก, รก็พร้อมคอยรับน้ําใจจากพี่น้องประชาชนคนทั้งชาติอยู่การพูดในวันนี้ก็คงจะเห็นว่าพอสมควรแต่ถึงยังไงก็ตามหลวงพ่อในฐานะเป็นพระสงฆ์ก็อยากจะกล่าวเตือนพี่น้องประชาชน ทุกทุกหมู่ทุกทุกเราขอให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าขยะวยะธรรมมาสร้างฆาราอัปมาเดนะสัมปาเดธาติสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงขยะวยะธรรมาสร้างฆาราสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงอัปมาเดนะสัมปาเดธาติ ขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมวยความไม่ประมาทอันนี้คือปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ท่านสั่งเสียพวกเราสานุสิทธิ์ทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ย, ยังประโยชน์ตนคือประโยชน์ตนก็ยังให้บกพ่องให้ทำให้เต็มที่สิ่งไหนที่จะเป็นคุณงามความดีต่อเพื่อนมนุษยชาติต่อชาติศาสนาต่อพระมหากษัตริย์ ต่อโลกก็พวกเราอย่าได้ประมาทก็พร้อมกันก็ประโยชน์ตนก็ให้พื่งพร้อมประโยชน์คนอื่นก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าถ้าพอมีอันจะกินพอไม่เดือดร้อนตนก็ขอให้ช่วยเหลือสงเคราะห์ทางโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลถ้าจะว่าไปแล้วเครื่องมือแพทย์ทั้งหลายที่หลวงพ่อเคยได้ไปศึกษาหรือเคยเข้าไปดูถึงหมอจะมีความสามารถถึงขนาดไหน แต่ขาดเครื่องมือก็ไม่สามารถที่จะรักษาคนไข้ได้เต็มที่เพราะนั้นพวกเรา ท, ทุกท่านที่เข้ามาเข้าไปรักษาโรงพยาบาลเราจะไปตำหนิหมอท่านเดียวก็ไม่ได้จะไม่ให้ตำหนิเลยก็ไม่ได้ถ้าหากว่าจะตำหนิหมอก็าหมอไม่มีฟีมือเพราะหมอไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยก็จะรักษาคนไข้ไม่ได้แต่ ถ, ถ้าหากว่าหมอที่มีเครื่องมือพร้อมแล้วก็หมอมีความสามารถหมอมีความรับผิดชอบด้วย พวกเราก็จะได้รับความไว้วางใจในการรักษาพยาบาลหลวงพ่อว่านะแล้วก็พร้อมกันก็ขอให้พวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้แล้วก็พร้อมกันในยุคสมัยนี้หลวงพ่อได้ยินในสื่อหรือในญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องบอกว่าคนในชาติเป็นอย่างงู้นตั้งกฎหมายเป็นอย่างนี้รัฐธรรมนูญเป็นอย่างนั้น หลงพ่อกับฟังฟังดูนะพบหลงพ่ออยู่ในป่าก็ลั่งดับตาฟังฟังฟังฟังดูหลงพ่อว่าถ้าจะพูดไปยังไงก็พูดได้แต่หลงพ่อว่าถ้าหาว่าคนในชาติมีศีลธรรมมีจริยธรรมมีฮิลิคือความละอายแก่ใจมีอดตะปะคือความกลัวต่อบาปมีสองอย่างเท่านี้แหละคนในชาติจะสงบปล่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าคนในชาติไม่มีฮิลิ คือความละอายแก่ใจไม่มีโอตปะ ค, คือความกลัวต่อบาปถึงจะมีตั้งกฎหมายพูดกันขนาดไหนก็เถอะถ้าคนดื้อด้านหรือว่าคนไม่มีความอายแล้วกฎหมายไม่มีประโยชน์สำหรับคนที่ดื้อด้านนะถ้าว่าคนได้มีฮิลิความละอายแก่ใจมีโอตปะ ค, คือความกลัวต่อบาปแล้วต้องระลึกถึงว่าการกระทาลงไปนี้ถ้าเขามาทาแก่เรา เรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราไปทําแก่เขาเขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเราคิดได้อย่างนั้นหลวงพ่อว่าความสงบพร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินไทยวันนี้เขียนว่าหลวงพ่อพูดยาวพอสมควรขอขอจบลงเพียงเท่านี้